สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการกลเม็ดครัวไอเดียค่ะอยู่กับเอนะคะพานุมาศหัตถบูรและทีมงานวิทยุราชมงคลธั ญ, ญบุรีค่ะเราจะมารับฟังการถึงเรื่องราวของสารพันในห้องครัวในรายการกลเม็ดเครือไอเดียค่ะโดยรายการของเรานะคะสร้างสารรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบุรีค่ะ นะคะแล้วก็วันนี้เอมีเรื่องราวเกี่ยวกับการทานไข่นะคะในตอนเช้ามาฝากคุณผู้ฟังกันว่าการทานไข่ในตอนเช้านั้นให้ประโยชน์อะไรกับร่างกายแล้วก็ดียังไงบ้างนะคะส่วนช่วงที่2และช่วงที่3นั้นจะมีอะไรเดี๋ยวเออุบเอาไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องราวในวันนี้ของกลเม็ดเครือไอเดียกันค่ะ จะเธอสักครังฉันยืนเมื่อมองจนเธอลับ่างไกลปล่อยฉันแคว้งคว้างเหมือนคนเชียนบ้าไม่มีเธอดูแลแล้วฉันจะอยู่ยังไรตั้งแต่นี้เราคงต้องทำใจเพราะถึงอย่างไรเธอคงไม่กลับมาสิ่งที่เหลือทิ้ง่า กับคนที่เธอเคยชิดไกลและเขาเคยทำร้ายเธอคนที่ทนเจ็บช้อ เข้าสู่ช่วงแรกแล้วนะคะอยู่ในรายการกลเม็ดครัวไอเดียนะคะกับเอแล้วก็พร้อมด้วยทีมงานวิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะวันนี้นะคะในช่วงแรกนี้กับกลเม็ดลุยเข้าครัวมีสาระน่ารู้นะคะแล้วก็สีเหตุผลด้วยกันสำหรับการทานไข่ในตอนเช้าซึ่งทานเป็นอาหารเช้าเลยเนี่ยะคะ่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าใน4ข้อนี้มีอะไรกันบ้าง ข้อแรกเลยค่ะคุณผู้ฟังไข่หนึ่งฟองนะคะมีคอเลสเตอรอลเนี่ยมากถึง210มิลลิกรัมก็จริงแต่ผลวิจัยค่ะผมว่าคนที่รับประทานไข่นะคะสัปดาห์ละสี่ฟองจะมีคอเลสเตอรอลเนี่ยต่ำกว่าคนที่ กินไข่เนี่ยประมาณสัปดาห์ละหนึ่งฟองหรือไม่กินเลยนะค ะ, คะคกลไกที่อาจเป็นไปได้ก็คือไข่นั้นมีโปรตีนสูงค่ะแล้วก็มีไขมันอิ่มตัวค่อนข้างต่ำทำให้อิ่มนานและความอิ่มนี้เองนะคะจะมีส่วนทำให้การกินอาหารที่มีไขมันสูงอย่างเช่นเนื้ออาหารประเภทผัดๆทอดๆนะคะลดลงผู้ร้ายตัวจริงที่ทำให้คอเลสเตอรอลหรือไขมันในเลือดสูงก็คือไขมันอิ่มตัวค่ะอย่างเช่นกะทิ น้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวน้ำมันหมูการกินเนื้อที่มากเกินไปและที่ร้ายที่สุดนะคะก็คือไขมันทรานหรือไขมันปลาสภาพซึ่งส่วนใหญ่มาจากการนําไขมันพืชไปเติมไฮโดรเจนทําให้เกิดเป็นเนยขาวเนยเทียมเครีมเทียมที่ใช้ทําเบเกอรี่ขนมกรุบกรอบอาหารฟาสต์ฟู้ดซึ่งแนวทางในการลดคอเลสเตอรอลนะคะหรือว่าไขามันในเลือดหลักๆเลยก็คือการลดไขมันอิ่มตัวและไขมันทราน รองลงไปนะคะก็คือการออกแรงหรือว่าออกกำลังให้มากพอเป็นประจำและการกินอาหารที่มีคอเลสเตอรอลให้น้อยลงค่ะข้อที่2นะคะคุณผู้ฟัง ไข่มีโคลีนสูงถึง 30% ของปริมาณที่ร่างกายต้องการในหนึ่งวันซึ่งโคลีนค่ะเป็นสารประกอบที่ช่วยเสริมความจำให้ดีขึ้นนะคะและยังป้องกันเส้นเลือดอุดตันได้อีกด้วยโดยไข่หนึ่งฟองค่ะให้โคลีนมากประมาณ 30% มของปริมาณที่ร่างกายต้องการในหนึ่งวันการกินไข่จึงเปรียบได้กับการซื้อประกันชีวิตในเรื่องอาหารคุณค่าสูงว่าโอกาสขาดสารอาหารจะลดลงไปมากมาย โคลีนเนี่ยเป็นองค์ประกอบของผนังเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายค่ะโดยเฉพาะผนังเซลล์ของสมองและก็เซลล์ประสาทนะคะเป็นองค์ประกอบของสารสื่อประสาทที่สมองเนี่ยใช้ในการสื่อสารภายในร่างกายถ้าจะพูดได้เห็นภาพนะคะคุณผู้ฟังลองนึกถึงจุดเชื่อมต่อหรือว่าเราเตอร์นะคะของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตดูก็น่าจะพอมองออกใช่ไมล่ะคะ แถมคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะคะของโคลีนเนี่ยคือมันจะออกฤทธิ์ต้านแล้วก็ลดการอักเสบหรือว่าป้องกันไม่ให้ทัดไฟในร่างกายค่ะกำเริบได้ในระดับหนึ่งการอักเสบนี้นะคะมีผลมากเป็นพิเศษที่ผนังหลอดเลือดเนื่องจากผนังหลอดเลือดที่มีการอักเสบจะบวมและสูญเสียความรับเลือด น, นั่นเองทําให้คราบไขมันนะคะไปพอกหรือเก็ดเลือดเนี่ยไปเกาะกลุ่มได้ง่ายค่ะ มาถึงข้อที่3กันแล้วนะคะไข่แดงเนี่ยจะช่วยบำรุงสายตาเพราะว่ามีสารลูทีนซีแซนทีนทำให้ความเสี่ยงในการเป็นโรคตาเสื่อมสภาพหรือตาบอดในคนสูงอายุลดลงนะคะซึ่งลูทีนหรือว่าซีแซนทีนเป็นสารพฤกษกเคมี หรือเป็นสารคุณค่าพืชผักกลุ่มสีเหลืองแล้วก็สีแสดนะคะช่วยป้องกันจอรับภาพหรือว่าเลตินานะคะโดยทำหน้าที่เป็นตัวกรองแสงสีน้ำเงินหรือสีฟ้าและรังสี UV ทํทำให้ความเสี่ยงนะคะสำหรับการเป็นโรคตาเสื่อมสภาพหรือตาบอดในผู้สูงอายุคะ่ะลดลงแน่นอนว่าการหลีกเลี่ยงแสงแดดจ้านะคะแสงไฟจ้าหรือการอยู่หน้าจอทีวีจอคอมพิวเตอร์นา น, น, าน ก็เป็นการที่ดีที่สุดนะคะแต่ทว่าถ้าต้องทำงานกลางแดดชมโทรทัศน์หรือทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์วันละนานๆนะคะการพักสายตาอย่างน้อยทุกๆ 1-2 ชั่วโมงแล้วก็กินอาหารที่มีลูทีนและซีซันทีนสูงอย่างเช่นผักใบเขียวนะคะก็จำพวกบ็อกโคลี่แบบนี้นะคะถั่วที่มีสีเขียวข้อโพดก็จะช่วยได้มากเลยล่ะคะ่ะ และเหตุผลสุดท้ายเหตุผลที่4นะคะก็คือเรื่องราวของการทานไข่เนี่ยจะช่วยลดความอ้วนเนื่องจากมีโปรโตีนสูงค่ะทำให้อิ่มนานมีการศึกษานะคะที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าคนที่กินไข่เป็นอาหารเช้ามีโอกาสลดน้ำหนักและเส้นรอบเอวเนี่ย มากกว่าคนที่กินขนมปังเป็นอาหารเช้าซึ่งกลไกที่อาจเป็นไปได้นะคะก็คือไข่มีโปรตีนคุณภาพสูงทำให้อิ่มนานและอย่าลืมค่ะว่าไม่ใช่กินอาหารเท่าเดิมแล้วเสริมไข่เข้าไปนะคะแต่ต้องใช้หลักอาหารทดแทนคือถ้าเรากินไข่เข้าไปเราก็ต้องลดอาหารอย่างอื่นให้น้อยลงค่ะจึงจะได้ผลนั่นเองเดี๋ยวช่วงหน้านะคะคุณผู้ฟังเราจะกลับมาพบกับเรื่องราวของ10บวิธีการ เก็บเครื่องครัวนะคะเปลี่ยนห้องรกๆให้ดูดีด้วยทริคง่ายๆค่ะึนข้ ครั้งที่เธอเห็นแสงดาวทอประกายก็ยังเหมือนเราได้พบกัน น, นคืนรางนำค้างยอดยอาคาไหล กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะในรายการกลเมตดเครือไอเดียค่ะยังอยู่กับเอนะคะแล้วก็ช่วงนี้ช่วงที่2แล้วกับกลเมตดเกรดเสริมครัวนะคะซึ่งวันนี้เราจะมีวิธีจัดเก็บนะคะเครื่องครัวต่างๆให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ทำให้ห้องเนี้ย เลิกรกได้อีกต่างหาก ะ, ะวันนี้มี10ข้อเลยด้วยกันที่นามาฝากคุณผู้ฟังกันหลากหลายวิธีเลยค่ะคุณผู้ฟังสำหรับการเก็บเครื่องครัวนะคะที่ทั้งสะดวกแล้วก็ง่ายต่อการใช้งานเปลี่ยนบรรยากาศให้ห้องครัวที่สุดรกไม่เป็นระเบียบเนี่ยนะคะมาเป็นห้องครัวที่น่าทำอาหารแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยกันดีกว่านะคะมาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างเนาะข้อแรกเลยค่ะเปลี่ยนหลังประตูนะคะให้เป็นที่เก็บของ หากเราะะใช้พื้นที่แนวราบไม่ว่าจะเป็นบนพื้นหรือแม้แต่ในตู้เก็บของที่ไม่มีที่ว่างจะขยับขยายอีกต่อไปแล้วนะคะไม่จำเป็นต้องซื้อตู้ใหม่นะคะเพราะว่า เราสามารถที่จะใช้หลังประตูเนี่ยแหละนะคะในตู้เนี่ยมาเป็นที่เก็บของที่หลายๆคนเนี่ยชอบมองข้ามกันได้ถ้าไม่เชื่อนะคะก็ลองนำตะขอค่ะมาเกี่ยวแล้วก็นำของนะคะอย่างประเภทหม้อกระทะหรือว่าอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆค่ะมาแขวนเอาไว้นะคะแล้วห้องครัวก็จะดูเป็นระเบียบขึ้นทันตาเลยล่ะค่ะข้อที่2นะคะคุณผู้ฟังแยกประเภทอุปกรณ์ตามวิธีการใช้ การเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่เดียวกันเนี่ยอาจจะช่วยให้ประหยัดพื้นที่นะคะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยคงเห็นแล้วว่าการเก็บเครื่องครัวไว้ในที่เดียวกันมันยุ่งเหยิงขนาดไหนฉะนั้นแล้วนะคะถ้าเราเนี่ยยังพอมีที่เหลือเนี่ยสำหรับการแยกอุปกรณ์ห้องครัวต่างๆตามการใช้งานไว้หน่อยเนี่ยน่าจะดีขึ้นนะคะหรือว่าถ้ามีพื้นที่ที่ไม่พอเนี่ยอาจจะเปลี่ยนวิธีเก็บดูอย่างเช่นถ้าเรามี เราเล็กๆนะคะไว้แขวนหม้อกับกระทะไว้บนเพดานส่วนในลิ้นชักเนี่ยก็เอาไว้เก็บจานชามช้อนส้อมโดยมีกล่องเล็กๆค่ะใส่แยกของแต่ละประเภทเนี่ยออกจากกันอีกด้วยนะ ค, ะ, คะข้อที่3ค่ะจัดเครื่องครัวนะคะที่ใช้บ่อยแล้วก็หยิบได้สะดวกเนี่ยไว้ด้วยกัน เครื่องครัวของคุณค่ะอาจจะมีมากมายหลายชิ้นนะคะแต่มั่นใจว่าต้องมีชิ้นที่คุณเนี่ยใช้เป็นประจําอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเครื่องครัวประเภทนี้ควรเก็บไว้ในที่ที่หยิบใช้ง่ายอย่างเช่นบนเคาน์เตอร์หรือด้านนอกของชั้นวางของส่วนตู้เก็บของที่มีบานพับนะคะก็เอาไว้สําหรับเครื่องครัวที่ใช้น้อยกว่าจะได้ไม่ต้องรื้อเครื่องครัวนะคะเข้าออกบ่อยๆจนห้องครัวเนี่ยรกไปหมดอย่างที่ผ่านมาค่ะ ต่อนะคะเป็นข้อที่4แล้วกับการเก็บฝาหม้อบนที่พักจานมีวิธีการเก็บหม้อไปแล้วนะคะจะขาดวิธีการเก็บฝาหม้อไปได้อย่างไรซึ่งการเก็บฝาหม้อนะคะก็จะทำได้หลายวิธีด้วยกันเลยอย่างเช่นเสียบไว้ในที่พักจานนะคะหลังจากทำความสะอาดหรือว่านำชั้นวางนิตยสารที่ไม่ใช้แล้วค่ะมาติดกับผนังสาหรับ เก็บฝาหมอ้อโดยเฉพาะนะคะหรือว่าทำราวเล็กๆนะคะไว้หลังบานพับสำหรับสอดฝาหมอ้อรวมไว้ในตู้เก็บของก็ได้เพื่อความสะดวกในการหยิบใช้งานค่ะข้อที่5นะคะเรียกรถเขนมาเป็นตัวช่วยเก็บค่ะสำหรับห้องครัวที่มีพื้นที่น้อยจริงๆนะคะจะติดตู้เก็บของแบบลอยตัวเนี่ยก็ยังใหญ่เกินไปอยู่ดีแนะนำให้เอาเครื่องครัวค่ะมาวางบน รถเข็นเล็กๆนะคะแล้วก็เข็นมาวางไว้ใกล้ๆขณะที่เราเนี่ยกำลังทำอาหารอยู่หลังจากนั้นนะคะถ้าไม่ได้ใช้งานก็เข็นกลับไปไว้ในที่รับตาอย่างเช่นใต้โต๊ะใต้ตู้หรือว่าหลังประตูค่ะก็จะทําให้ไม่ดูเกะกะรคหูโรกตาจนเกินไปนะคะแล้วก็ทําให้ครัวเนี่ยเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกด้วยค่ะข้อที่6นะคะเครื่องดูดควันติดผนังด้วยถาดแม่เล็ก อีกหนึ่งวิธีสุดเก๋เลยค่ะแถมด้วยประหยัดพื้นที่ในห้องครัวได้เยอะเลยนะคะที่สำคัญเนี่ยยังสามารถทำเองได้ง่ายโดยการฝังแถบแม่เหล็กค่ะไว้หลังไม้แล้วนำไปติดเข้ากับผนังหลังจากนั้นนะคะก็เอาเครื่องครัวนะคะชิ้นเล็กๆอย่างมีดตะหลิวหรือว่าอื่นๆเนี่ยนะติดลงไปคราวนี้นะคะเวลาจะหยิบใช้อะไรเนี่ยก็ไม่ต้องตามหาให้วุ่นวายค่ะเพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้ก็จะอยู่ตรงหน้าเราแล้วก็จะเห็นได้ชัด ข้อที่เนะคะแยกฝาแล้วก็กล่องพลาสติกออกจากกันเพื่อประหยัดพื้นที่ค่ะการเก็บกล่องพลาสติกใส่อาหารนะคะเมื่อเรานำไปวางเรียงซ้อนกันเนี่ยจะทำให้เปลืองพื้นที่และยังเสี่ยงต่อการร่วงลงมาได้อีก ลองเปลี่ยนมาเป็นวิธีที่ประหยัดพื้นที่กว่านะคะด้วยการแยกฝาแล้วก็แยกกล่องออกจากกันโดยนํากล่องพลาสติกค่ะมาวางเรียงซ้อนกันนะคะจากใหญ่ไปหาเล็กแล้วก็นําฝากล่องแต่ละใบค่ะแยกไว้อีกช่องหนึ่งใกล้ๆนะคะก็จะช่วยประหยัดพื้นที่เก็บได้อีกเยอะเลยละค่ะข้อที่แปนะคะประยุกต์เครื่องครัวให้เป็นของตกแต่งได้สําหรับบ้านที่มีกรอบรูปเก่าๆนะคะก็สามารถที่จะนํามาขัดเสี้ยนออก เราก็ลงสีใหม่ใช้ตะข่ายตากว้างๆนะคะขึงไว้ด้านหลังจากนั้นก็นําเครื่องครัวต่างๆนะคะมาใส่ตะขอแล้วก็นํามาแขวนไว้ผนังห้องครัวก็กลายเป็นการ์เด้นย่อมๆนะคะช่วยเพิ่มวิวสวยๆไว้ให้ชมตอนทำอาหารอีกต่างหากค่ะแถมยังสามารถหยิบจับเครื่องครัวเหล่านั้นนะคะมาใช้งานได้ง่ายแล้วก็การเก็บซ่อนไว้ในตู้เนี่ยก็ยังง่ายอีกด้วยหรือว่าอาจจะจับอุปกรณ์เหล่านี้นะคะใส่ไว้ในตะกร้าเล็กๆ แขวนไว้เหนือเคาน์เตอร์ครัวก็ได้ค่ะข้อที่เกาเลานะคะใช้ชั้นวางแบบสไลด์ถ้าเราต้องการหยิบอุปกรณ์ต่างๆให้สะดวกและก็ง่ายมากขึ้นนะคะด้วยการใช้ชั้นวางของแบบสไลด์โดยให้ชั้นวางแบบสไลด์นี้นะคะวางตามช่องเก็บของตามตู้ที่ค่อนข้างลึกเวลาจะหยิบใช้ของที่อยู่ด้านในสุดค่ะก็เพียงแค่ดึงสไลด์ออกมานะคะไม่ต้องเสียเวลาหยิบของที่อยู่นอกสุดออกมาค่ะข้อที่สิข้อสุดท้ายแล้วนะคะ เก็บที่เก็บเครื่องครัวครบจบในตู้เดียวค่ะสาหรับตู้เก็บเครื่องครัวทั่วไปนะคะอาจจะมีแค่ชั้นวางของกับบานพับปิดเพื่อไม่ให้ดูรกหูรกตาแต่ถ้าพื้นที่มีไม่เพียงพอสาหรับเก็บอุปกรณ์ทุกชิ้นนะคะก็แค่เสริมเติมแต่งชั้นเก็บของชิ้นอื่นๆเข้าไปค่ะอย่างเช่นติดราวแขวนของชิ้นเล็กๆนะคะไว้ใต้ตู้ส่วนด้านข้างนะคะก็นาราวค่ะมาเพิ่มไว้สาหรับวางหม้อ แล้วก็นำตะกร้าใบเล็กๆนะคะติดบนบานพับสำหรับใส่ช้อนซ่อมแล้วก็มีค่ะเห็นไหมละคะว่าถ้าเรารู้จักเก็บอุปกรณ์แล้วก็เครื่องใช้พวกนี้ให้เหมาะสมตามการใช้งานแล้วแล้วก็ห้องครัวของคุณนั้นก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยเวลาหยิบใช้งานก็สะดวกและยังเป็นการช่วยเซฟความปลอดภัยอีกด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะคุณผู้ฟังเราจะกลับมา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 กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรายการกลเม็ดครัวไอเดียแล้วค่ะช่วงเวลานี้นะคะกับเรื่องราวของกลเม็ดเกล็ดท้ายครัวค่ะวันนี้เอมีวิธีลบรอยนิ้วมือบนสแตนเลสนะคะให้หายวับไร้ทางกลับมามาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ เบื่อไหมคะกับการทำความสะอาดเพื่อลบรอยนิ้วมือนะคะที่มองๆ อ, ออกจากสเตลเลตที่ยิ่งถูเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งมัวดูเก่าแล้วก็ไม่น่าใช้งานอีกต่อไปนะคะเรามาพึ่งวิธีเนี่ยค่ะที่เอจะแนะนำต่อไปนี้กันดีกว่าเป็นเทคนิคสุดแจมเลยะค่ะในการลบรอยนิ้วมือแล้วก็ป้องกัน ร, รอยนิ้วมือเนี่ยไม่ให้กลับมาเกาะแกะสเตลเลตอันเงางามของเรานะคะได้อย่างถาวรเลยทีเดียวค่ะ อย่างแรกเลยนะคะคุณผู้ฟังน้ำส้มสายชูแล้วก็แว็กขจัดรอยและแล้วนะคะก็หนีไม่พ้นน้ำส้มสชูอยู่วันหนึ่งค่ำค่ะเอาเป็นว่าให้เรานะคะใช้ผ้าชุบน้ำส้มสายชูเพียงเล็กน้อยเพื่อเช็ดทำความสะอาดรอยนิ้วมือและรอยคาบอื่นๆบนสแตนเลสออกให้หมดซะก่อนค่ะจากนั้นเคลือบผิวหน้าด้วยคาวแว็กบางๆเพียงเท่านี้นะคะไม่ว่าจะรอยเก่ารอยใหม่ ก็ไม่มีวันกลับมาเฉิดใายบนสตันเล็กของเราอีกต่อไปแล้วค่ะอย่างที่สองนะคะน้ำมันหล่อลื่อนอนเนกประสงค์อุปกรณ์ขัดเงาของคนเร่งรีบ หากใครไม่มีเวลามากพอนะคะที่จะมานั่งผสมสูตรขัดเงาสแตนเลสเองแนะนำเลยค่ะให้หาซื้อผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำความสะอาดพื้นผิวและเคลือบเงาไปในคราวเดียวกันได้อย่างน้ำมันหล่อลื่อนอนเนกประสงค์นะคะที่วางขายตามร้านอุปกรณ์เกี่ยวกับบ้านหรือห้างสรรพสินค้าซึ่งต้องค่อยๆฉีดแล้วก็เช็ดถูทาความสะอาดจนกว่ารอยคราบนั้นจะจางหายไปคืนความสดใสให้กับสแตนเลสให้ดูโดดเด่นขึ้นมาอีกครั้งค่ะ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของข้อควรระวังกันบ้างนะคะหากต้องการจะขัดเงาสตะเลต ท, ที่อยู่ในครัวหรือว่าอยู่ใกล้าอาหารแนะนำให้เก็บอาหารเนี่ยออกไปจากตรงนั้นก่อนฉีดพ่นน้ำยาในะคะอย่างเบามือไม่ให้ฟุ้งกระจายในอากาศและควรทําความสะอาดหลังจากการใช้งานสตะเลตนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้ปิโตรเลียมสารตั้งต้นน้ามันหล่อลื่นนะคะตกลงไปในอาหารนั่นเองค่ะ และข้อที่3มนะคะข้อสุดท้ายแล้วก็คือทําการขัดเงาครั้งยิ่งใหญ่ที่ใช้สู่ผสมแบบบ้านๆแต่ว่าข้อนี้ค่ะคุณผู้ฟังต้องมีอุปกรณ์นะคะซึ่งอุปกรณ์เนี่ยเราก็จะมีน้ํายาเช็ดกระจกหรือว่าน้ําสบู่นะคะแล้วก็น้ําส้มใส่ชูหรือว่าน้ํามะนาวโซดาคะ่ะแล้วก็น้ํ า, ม, า, ามันมะกอกนะคะอาจจะใช้เป็นน้ํามันมะกอกหรือว่าเบบี้ออยล์หรือว่าแว็กขัดเงาเฟอร์นิเจอร์ก็ได้ได้เหมือนกันเลยค่ะ ะะแล้วต่อมาสุดท้ายก็จะเป็นผ้าขนหนูเนื้อนุ่มนะคะเรามาดูวิธีการทำกันดีกว่าค่ะเริ่มแรกนะคะต้องทำความสะอาดรอยนิ้วมือแล้วก็คราบหมองให้หายไปด้วยการใช้น้ำที่ผสมน้ำสบู่หรือน้ำยาเช็ด ก, กระจกค่ะเช็ดออกให้เกลี้ยงเลยนะคะ ข้อที่สองมาตอกย้ำความมั่นใจว่ารอยนิ้วมือนั้นจะหายไปจริงๆด้วยการใช้น้ำส้มสาชูหรือน้ำมะนาวค่ะผสมกับโซดาเพียงเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใช้ผ้าขนหนูชุบแล้วก็เช็ดซ้ำไปบนคราบสแตนเลตนั้นอีกรอบหนึ่งข้อที่สามนะคะใช้ผ้าขนหนูสะอาดๆาดชุบน้ำมัน ม, นมะกอกเบบี้ออยล์หรือว่าแว็กขัดเงาเฟอร์นิเจอร์ สแตนเลสค่ะเพื่อเพิ่มผิวหน้าที่เป็นมันนะคะเคลือบป้องกัน ร, รอยนิ้วมือและคราบอื่นๆเอาไว้แถมยังช่วยเพิ่มความเงาให้สแตนเลสนั้นดูเหมือนใหม่อีกด้วยค่ะและข้อสุดท้ายข้อที่4นะคะขั้นตอนที่4ก็คือถ้าอยากจะมีสแตนเลสที่เงา ง, งามไร้ริ้วรอยไปอีกนานๆแล้วก็แนะนําให้ทําตามขั้นตอนที่ว่ามาทั้งหมดนี้ เป็นประจําค่ะจะเป็น1สัปดาห์ต่อครั้งหรือ2 ส, สัปดาห์ต่อครั้งก็ได้นะคะได้เหมือนกันหมดเลยแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่ามีวิธีเด็ดๆแบบนี้อยู่ซึ่งก็เป็นทั้ง3เทคนิคนะคะมาให้เลือกกันใครที่สนใจเทคนิคไหนก็สามารถเลือกนําไปใช้ได้ตามที่ตัวเองถนัดเลยเพื่อให้สแตนเลสของคุณนะคะยังคงความเงางามและก็ใหม่อยู่เสมอช่วยส่งเสริมให้บ้านดูดีครัวดูดีค่ะ สัปดาห์หน้าเราจะมีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังอีกบ้างนั้นต้องรอติดตามนะคะในที่เราจะได้กลับมาพูดคุยกันแต่วันนี้หมดเวลาของรายการกลเม็ดรครัวไอเดีย A และก็ทีมงานวิทยุราชมงคลธัญบุรีแล้วค่ะอย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้ปลาปลวนเหลือเกินสำหรับอากาศนะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยไปไหนมาไหนระมัดระวังนะคะสาหรับการเดินทางแล้วก็การใช้รถใช้ถนนก็เช่นกันค่ะ